เรื่องให้พรเมื่อมีผู้จามสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคห้อมล้อมด้วยบริษัทมูใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมได้ทรงจามขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ถวายพระพรเสียงดังว่าขอพระผู้มีพระภาค จงทรงพระเจริญพระชนมายุเถิดขอพระสุขคดจงทรงพระเจริญพระชนมายุเถิดพระพุทธเจ้าข้าการแสดงธรรมต้องหยุดลงเพราะเสียงถวายพระพรนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีการจามผู้ที่ได้รับพรว่า ขอจงมีอายุยืนจะมีชีวิตหรือต้องตายเพราะสาเหตุนั้นละหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีการจามภิกษุไม่พึงให้พรว่าขอจงมีอายุยืนรูปใดให้ต้องอาบัติทุกกฎ สมัยนั้นในคราวที่ภิกษุทั้งหลายจำคนทั้งหลายให้พรว่าขอท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนภิกษุยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมให้พรต่อคนทั้งหลายตํหนิประนามโพลทนาว่าชไหนพวกพระสมณะเชื้อสายสากยบุตรเมื่อเขาให้พรว่าจงมีอายุยืน จึงไม่ให้พรตอบเล่าภิษุททั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิษุทั้งหลายคนทั้งหลายต้องการความเป็นสิริมงคลภิษุทั้งหลายเมื่อพวกครืหัดให้พรว่าจงมีอายุยืน เราอนุญาตให้ภิกษุให้พรตอบว่าท่านก็จงมีอายุยืน